บุ๊กทูเจ็สิบอดสอต้องการอยากอยากจะได้ดคุณอยากทาอะไรอยากาจะได้ดคุณอยากเล่นฟุตบอลไหม จะไ е ้จะกูเลี้ยดฟุตบอคุณอยากไปหาเพื่อนเพื่อนไหมจ е ได้จะนวดติเต้องการอยากหัดเจดิฉันไม่อยากมาสายดิฉันไม่อยากไปที่นั่น Я не хочу т у д ูดิส ดิฉันต้องการกลับบ้าน Я хочу ่วยไปซีดัดดมู่ดิฉันต้องการอยู่บ้าน Я хочу застаться ซดูม่ะดิฉันต้องการอยู่คนเดียว Я ยากจะเดินจะสตัดเซจินคุณอยากอยู่ที่นี่ไหม Ты хочешь застаться тут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 คุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะคะคุลกตรคุณอยากไปดิสโ ก, โก้ไหมวัคนคุคุณอยากไปดูหนังไหมวัคชัชนะดิสคเตกุคุณอยากไปร้านกาแฟาไหมเ